أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا ع د و ا ن إلا ألا الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأعظم الله ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ردد ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ال ا, أ, أ ل ลล้าล أولين والآخرين أشهد أن ربنا محمدًا عبد ورسول أرسل ل ه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كله الكافرون نقر قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد عود بالله الشيطان ر ل س ي بسم الله الرحمن الرحيم سب بهس م ر ب ي كل أعلى ครับทีนี้เราก็มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการอธิบายอัลกุรอ อ่านนะครับผมซึ่งชาวเราวันนี้นะครับเราก็ครั้งที่แล้วเราจบจากสุลตนกอรชิยไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาต่อในส่วนของสุาตุลอัลอาลากนะครับผมครับในส่วนของสุลตุลอาลานะครับพระองค์สุภาพตราผู้ทรงสูงสงผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ดได้เริ่มด้วยคำว่า subhis marabika อัลอะลาประเด็นจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในวันนี้อินชาอัลล์ครับผม สุรุตุลอาลานะครับพี่น้องครับเป็นสุรเราะที่อยู่ในลำดับที่87ในคัมภีร์อัลกุรอานคือถ้าเกิดเริ่มเรียงมาจากอัลฟาติฮะบักรเราะมาเรื่อยๆนะครับอัลอาลาก็อยู่ในยุสอัลมาที่เราคุ้นเคยกันดีุรุลอาลานะครับถือว่าจัดเป็นหนึ่งในสุรทั่วพวกเราเนี่ยจะได้ยินกันค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็อิหม่ามกันค่อนข้างจะใช้กันบ่อยในหลายที่ในหลายเวลาเพราะมีสุนัจากท่านลบีมุลิซัมที่มีการอ่านสุรานี้ในช่วง ลายวาละด้วยกันนะครับผมสุรานี้ถูกเรียกว่าเป็นสุรตุลอัลาหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นซับบิสมรีัอลหรือซับบิมาก็แล้วแต่นะครับผมสุรัตุลอัลาถูกเรียกว่าอัลาเนี่ยก็ด้วยกับอัลลเป็นพระนามของผู้ลสุบฮานหัวอลาที่แปลว่าผู้ทรงสูงสุดผู้ทรงสูงสุดซึ่งก็อยู่ในอายะแรกของสุรานี้เลยใช่ไมครับซับบิสมกอลาว่าอลาพระนามของผลอ์ก็ถูกนามาใช้เป็น ชื่อของสุรฮะสุลฮะอัลอาลานี้ถูกประทานมาที่นครมักกะโดยที่ไม่มีความเห็นต่างกันในหมู่นักวิชาการนะครับก็คือส่วนใหเห็นพ้องต้องกันครับว่าสุลฮะนี้ถูกประทานมาก่อนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลฮะอิสลามจะทำการอพยพสาเหตุครับด้วยกับอยู่ในประเทศคอยมาบุคอรีนะครับที่ท่านอัลแบรอ์บินอาซิบเนี่ยท่านได้บอกว่าถ้าเ ร, ราสุลฮะสุลฮะอิสลามไม่ได้มาบดีนะยังไม่ได้มาบมรีนะจนฉันเนี่ยได้อ่านสุรฮะซับย ซบิสร์บิกเกอาาและแล้วก็อ่านสุราที่ค้ายคืนกันนี้ก็แปลว่าช่วงที่ท่านบดลบีย์ยุมนครมักกะอยู่ท่านบารารบบินอาซิบเนี่ยท่านอยู่ที่มาดินาอยู่แล้วแล้วท่านก็ได้ศึกษาสุรานี้ก่อนที่ท่านอับดุลเบีร์ัลาลัมจะมาถึงนครมาดินาก็แปลว่าชัดเจนครับว่าสุรานี้ถูกประทานมาตั้งแต่ก่อนที่ท่า น, นับดลีมัหมสลลัมจะทาการ อ, อพยพก็ย้าอีกครั้งนึงนะครับเผื่อพี่น้องจะลืมเป็นการทบทวนนะครับผมสุร่ ในอัลกุรอานเนี่ยนชาการก็จะแบ่งเป็นสุรามักกียะกับมาเดนียะมักกีกยะก็คือสุะต์ที่ถูกประทานมาก่อนที่จะมีการอพยพเนื้อหาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอากีดาส่วนสุลต์มาเดนียะก็เป็นสุะต์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านอับดุลลามัสลิมทำการอพยพแล้วเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเรื่องของอะไรที่มันจะเน่นขึ้นแต่อากีดาเขายังคงมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่ากีดาไม่มีนะก็คืออากีดาเน่ยมีตลอดยี่สิบสามปีของท่านอับดุลลาห์นี่นหนะแต่ว่าฟานนกาิกเกน แล้วก็เน้นเต็มๆ ต, ตอนที่ท่านอับดุลลาห์มุสลิมมถึงมาดีนะเพราะนั้นการที่รู้ว่าสุรต่านใดเป็นมักกียะหรือเป็นมานานียะถูกประทานกน่อนหรือหลังการ อ, อพยพเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องของวิชาการต่างๆเพราะฉะนั้นวิชาการก็จะให้ความสาคัญว่าสุลต่านนี้ถูกประทานมาที่ไหนซึ่งโดยหลักแล้วนี้ยสุรต่านต่างๆในยุสอา ม, มายุสสุดท้ายยุ่30นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกประทานมาที่นครมกักกะก่อนที่ท่านอบีจะทําการ อ, อพยพก็วะโหลฮ์อัลลอฮครับผม จริง้เรามาดูความเกี่ยวเนื่องกับสุรัตที่อยู่ก่อนหน้านี้สุรัต อ, อ, อัลาห์ก่อนสุัตอัลลาห์ก็คืออัตตอริกใช่ไหมครับผมซึ่งเราจะพบว่าอัตตอริ ก, นะกเนี่ยผู้ร้อยได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์เช่นเดียวกันในสุรัตอัลลาห์ผู้ร้อยก็กล่าวถึงการสร้างสรรค์ซึ่งในสุรัตอัตตอริกผู้ร้อยกล่าวถึงการสร้างสรรค์สองอย่างที่งพงมากล่าวอีกครั้งนึงในสุรัตเนี่ในสุรัตอัตตอริกผู้ร้อยกล่าวว่าครับลลล น, นัลยันจุลินทรีย์นุ่มมีมากกว่ามนุษย์จงดู เมื่อพวกเราให้มนุษย์ได้ดูว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไรพวกเราเราก็ได้พูดต่อมาว่าไงครับว่าอาร์ดีเดอร์ติสดสะดะแล้วก็ด้วยกับขอสาบานด้วยกับผืน้นแผ่นดินหรือว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยเมื่อที่มันได้มีการยกเงยเจริญออกมาซึ่งในสุนัตตอริกเดี๋ยวเราจะคุยกันรายละเอียดอีกทีแต่ประเด็นก็คือว่าพวกเราพูดถึงการสร้างของมนุษย์กับเรื่องของแผ่นดินแล้วในสุนัตอัลอาล่าก็พูดเช่นเดียวกันครับว่าอัลลอฮฺได้สร้างขึา ผู้ที่ทรงสร้างแล้วก็กทรงทําให้เป็นรูปรักษณ์ต่างๆแล้วก็วัลลีอัคคระเจนมาระอยฝอยายและฮุกุซอันอาฮาวะผู้ที่ทรงให้ผื้นแผ่นดินเนี่ยมีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนนั้นงอกเงยออกมาแล้วก็ได้ทําให้มันนั้นแห้งเหงี่ยวไปก็แปลว่ามีความเกี่ยวพันอยู่ในส ah ุะระอัลตอริคพระองค์ก็พูดถึงการสร้างมนุษย์ให้สังเกตการสร้างมนุษย์สิแล้วก็เลือกองแผ่นดิน และในรตุาลาโพลล์ก็บอกให้รู้ว่าโพลลาทรงเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงทั้งสร้างมนุษย์และสร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็ให้มีพันธุ์พืชนั้นมีผลผลิตออกมาแล้วก็ทําให้มันแห้งเหี่ยวไปเพราะฉะนั้นก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ในสรตุตตอริกับสรตุลาแหลาก็วอลลอห์จ้าละอาลา oh al al ัมเมื่อกี้ผมบอกในช่วงแรกใช่ไหมครับว่าสุระอัลอาลาเนี่ยที่เราจะคุยกันในวันนี้ยครับหรือที่เรากลาลังคุยกันอยู่ต้งพูดอย่างนี้ถึงจะถูกนะครับสรตุลาที่เรากำลังคุยกันอยู่นะมีสุนนะ ที่รายงานว่าท่านนาบีมุสลมอิสละมมีแบบอย่างแากท่านนาบีเนี่ยหลายบทในทีเดียวหนึ่งในนั้นนะครับผมก็ในบันทึกคอยมามุสลิมครับผมจากท่านจาบิรเนี่ยท่านรายงานว่าท่านนาบีมุสลิมอิสลมเนี่ยท่านเคยอ่านนำละหมาดตอนนำละหมาดยุคฮรีดด้วยกับซูลอสซับบิฮิสมาลปิกัลอ า, ลาัลลอันนี้ก็อยู่ในบันทึคอยหม่มุสลิมครับผมมีใครที่อ่านอ่านอ่านอ่าแล้วสงสัยม้างไหมครับมีใครฉุก ค, คิดไหมท่าน จาวิทยไปได้ยินได้ยังไงละหมาดดูดี่นําละหมาดเสียงเบาไม่ใช่เหรออันนี้เป็นประเด็นฟิกเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอินชาอัลลอฮ์ครับว่าตกลงเนี่ย เ, เวลาใดบ้างที่ต้อง อ, อ่านดังเวลาใดบ้านที่ต้องอ่านค่อยหรือว่าสามารถอ่านดังตรงไหนก็ได้อ่านค่อยตรงไหนก็ได้หรือว่ายังไงอันนี้เป็นประเด็นฟิกซ์่งอินชาอัลลอฮ์มีโอกาส ค่อยปิดคุยกันในช่วงของฟิกนะครับผมแต่ในที่เคยมามุสลิมเนี่ยสรุปก็คือท่านจาบิดระบุเลยชัดเจนว่าในละหมาดรูดีเนี่ยท่านอับมุลมัสยาดมได้คือนําละหมาดแล้วก็อ่านสุรตุลอาแหละอันนี้แค่เปิดประเด็นนําจิ้มเล็กน้อยนะครับผมในทีคยมามุสลิมเช่นเดียวกันครับจากท่านอันนูอัมานบินบาชีโรยลลาอันหูท่านได้บอกไว้ครับว่าในเวลาละหมาดวันอีดเนี่ยอีดทั้งสอง al ท่านรบีมมสลสรัมเนธท่านเคยอ่านทั้งในอีทั้ง2แล้วก็ในวันศุกร์ท่านอ่านรักการแรกด้วยกับซูรั์ซับฮิสมรปิกานอาแล้วแล้วก็รักกาที่2 อ, อ่านด้วยกับฮัลอาตะก้าไ ด, ดีซุลกอเชียเพราะนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับจะเกิดได้ยินเอ๊ะทำไมถึงมีอิมามนะชอบอ่านบางทีก็วันอีทบางทีก็วันศุกร์อ่านเป็นอา ล, ลอลากับอลเียก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่า นี่คือสายรายงานที่มาจากท่านอับดุลเบี๋ยมอัลมัสลองอิสลามมีพี่น้องบางท่านนะครับสงสัยแล้วก็ถามว่าเอออาจารย์เห็นตอนไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่มักกะที่มาดีนาเนี่ยบางทีช่วงเช้าเนี่ยเห็นอิหม่ามอ่านสุราชูมาอาเนี่ยมีแบบอย่างหรือเปล่าคําตอบก็มีแบบอย่างเชวงวนน่นเดียวกันว่าท่านอับดุลเบี๋ยมอัลัสลองอิสลามครับในช่วงวันศุกร์ก็จะมีสุนนะว่าท่านแต่งชูมาอาเช่นเดียวกันก็แปลว่าสายรายงานมีหลายบทจุมาที่ว่านี่คือตอนละหมาดเฟสเชอรี่ตอนเช้านะครับผมซึ่ง สายราย ง, งานทั้งหมดที่มาว่ามานี้ไม่ได้แปลว่าเป็นวายยิปไม่ใช่แปลว่าอิห ม, ม่ามจําเป็นถ้าเกิดรำลับวันศุกร์ต้องอ่านแต่สุร่าแหละหรือสุรา่ารอชีย์ไม่ใช่เพราะตัวบทกว้างๆบอกไว้ไครับฟักเราอูมาแต่สรอมินหูคืออ่านสุร่าอะไรก็ได้เพียงแต่มีแบบอย่างว่าท่านรบียเคยอ่านสุร่านี้เพราะฉะนั้นอิห ม, ม่ามบางท่านก็สุนนะแบบท่านรบีม า, าสอนตามเพื่อแบบอย่างก็คือบางศุกร์ อ, อ่านสุร่านี้บางศุกร์บางท่านอาจจะเป็นสุร่าคาฟี่เผื่อม้ามุม ท่านที่ไม่ได้อ่านกาฟี่ก็จะได้ทวนไปด้วยหรืออาตารย์สุระอื่นลิกุลินเคสครับดีหมดลครับผมเพราะว่าทาตามคำสั่งที่เราสั่งทางสิ้นนะครับผมเรามาดูความประเสริฐของสเระอลาอลาต่อที่มีสายงานสุขกบรรดาสหบานนะครับผมเรามาดูละหมาดวิเตตกันมงเมื่อกี้เรารู้แล้วเรื่องของซบิสมรนอลานมีใัลมี่มีในละหมาดอีทั้ง2แล้วก็มีในละหมาดวันศุกร์ไหครับผม อีกเวลาหนึ่งที่มีสายรายงานชิ้นเดียวกันก็คือละหมาดวิทละหมาดวิรครับละหมาดวิเตสเนี่ยแหละครับผมอยู่ในทึกจากท่านอูบัยบินกะครับท่านอบัยบินกะ บ, นบินกะเครับได้บอกว่าท่านสุลต่านสุลต่าได้เคยวิเตสละหมาดวิเตสนะครับโดยอ่านซาบิสมรปป์ปกะละอาแล้วก็คุญยาอบรากาฟิลูนแล้วก็คุญหัวลอฮุอฮัดนี่คือที่ท่ทานอาบีเคย มีอัลอาลาอ้มีกาฟิรุนแล้วก็มีบุญโ ห, ลลอหรอหัดก็แปลว่าท่านอบีอ่านสั้นๆเวลาท่านนำละหมาดคือสังเกตดูเวลานำละหมาดฟอ ร, รดูนะมีสุนนะก็คืออย่าอ่านให้ยาวเกินไปถ้าเป็นละหมาดสุนนะถ้าเป็นอะไรนี่คืออ่านยาวเต็มที่ไปเลยยิ่งละหมาดขอฝนยิ่งละหมาดจันท่าฆ่าสุยคฆ่าอันนี้นก็จะยาวเป็นพิเศษนะครับผม แต่ละมาดฟัดดูที่ว่าจำเป็ น, เ ป, นเป็นวายิสบสำหรับม้ามุมด้วยเนี่ยท่านนะบีก็มีแบบอย่างให้อ่านสั้นๆเพราะจําได้ใช่ไหมครับที่ว่าท่านมูอารสอ่ะครั้งหนึ่งที่ว่าท่านนําละมาดยาวมากๆจนม้ามุมเนี่ยชิงสลามก่อนชิงเป็นละมาดเองละมาดเองแล้วก็สลามท่านมูอารสโกรธมากบอกไอเนี่ยมันสร้างพิานานะฉันกนนำลังนําละหมาดอยู่ทาไมมาละหมาดแยกอย่างนี้ได้ก็นําเรื่องไปหาท่านอาบีท่านอาบีมูฮัมมัดสุลต์สลามได้บอกก็ถามเรื่องราวก่อน ถามที่มาที่ไปก่อนก็ถามทั้งสองฝ่ายถามฟังทั้งสองฝ่ายก็ฟังจากท่านมูอัซละท่านมาสก็เล่าให้ฟังก็ถามชายหนุ่มอีกคนหนึ่งทําไมคุณถึงทําแบบนี้ชายหนุ่มบอกว่าคือท่านมูอาซเนะื่อยืนนําละหมาดนานมากๆเลยผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมก็ยืนไม่ไหวปุ๊บผมก็ไม่ทำไงผมก็เลยเลิกแล้วไปละหมาดคนเดียวก็แปลว่าเขาก็รักการละหมาดอยู่เพียงแต่เขาไม่ไหวท่านอับดุลเบี๊ยงมสุสลิมไม่ได้ตําหนิสหายท่านที่ชิงสลามก่อน ทั้งๆที่หลายท่านมองน่าจะมองว่าสมควรถูกตำหนิใช่ไหมครับเพราะทิ้งการละหมาดแต่ท่านอับดุลสลมกลับตาหนิท่านมอาซว่าถือว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องท่า น, นาบดมบอกว่ามอาซเอ๋ยคุณอยากจะเป็นคนสร้างฟิตนสหรือทาไมคุณไม่อ่านสุรัสสั้นๆทำไมไม่อ่านซับิสโรเปลอาลาทาไมไม่อ่านชอมเซวฮาฮาทำไมไม่อ่านไมไมาวัลไลลนยายักชาท่า น, นาบีก็บอกสุรัสสั้นๆไว้ไะนั้นอันนี้ในเร่องหมานบุคอรีอิม่มุสลิมนะครับก็แปลว่า สุรตุาลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสุราที่ท่านนบีแนะนำให้อิหม์มใช้ในการละหมาดแต่ก็ยังมีบางท่านอยู่ที่มองว่าสุรตุาลาามันก็ยังยาวอยู่อาจารย์อันนี้ไม่ยาวแล้วอันนี้แปลว่าใจเราเนมันร้อนขึ้นไปคือมันไม่ไหวเพราะสุขภาพกับไม่ไหวเพราะใจไม่มามันคนละอย่างกันนะคือที่ท่านนบีตำหนิท่านมูอาสเสิ่เพราะท่านยาวเกินไปแล้วสังขารสุขภาพของมะมูลบางคนไม่ไหวไงคือใจน่ะแม่ เหมือนซอบะคนเนี่ยใจมาแต่ไม่ไหวก็เลยไปละหมาดเองแต่สังขารไม่ไหวแต่ถ้าใครก็บอกใครก็ตามที่บอกว่าไม่อย่าเฉียเจ้าใจอีคลาสเอาแต่เอลกาฟิรุนอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับสังขาร น, นะครับน่าจะเกี่ยวกับใจก็ต้องตรวจสอบใจตัวเองดูนะครับผมทั้งนี้ฉะนั้นก็วอลล่าหอ้แหมครับผมโอเคทักทายพี่น้องนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าในส่วนของความหมายอินชาลอ้นนะครับผมก็พี่น้องทักทายมานะครับคุณวีนารุ้งเรือนขึ้นกำลังใจมาก็ จะแจกุบุลลอฮ์คาราลขอโพล้อตอบแทนด้ยความดีงามครับผมแล้วก็ขอมาตรีครับพี่ปานีนะครับสลามมาเต็มเต็มเลยนะครับวายลุขุสลามอัลตุลลอฮ์วะบะรอกาตุนะครับผมคนเดินดินธรรมดานะครับผมเราก็ธรรมดาเหมือนกันทั้งคู่นะครับสลามมาก็วัยลิขุสลามอัลตุลอฮ์วะบะรอการตุนะครับเอ็มลีโอสลามมาก็วัยกุมุสลามอัลตุลลอฮ์วะบะรอการตุนะคบคุณไตรทิพนะครับแง่ฝาให้กําลังใจมาขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็คุณ วาริสถ้าผมออกเสียงผิดขอมาอัปสลาห ม, มานะครับก็วะไอเลิกุลสลามรัุลลอห์วะบารอกะตู้นะครับผมเซลพอเป็นพิธีนะครับอัสลามีตัวรามนิดนึงนะครับผมหลังตัวอานนริฟเม้จะเป็นอิสลามนะครับผมจะเป็นอิสลามอะลิกุมความหมายได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะครับเซลเล่นไม่ว่ากันนะครับผมตลัพี่น้องครับเรามาดูในส่วนของอายาแรกกันก่อน พี่น้องจำได้ไหมตอนสรุปมังคอชียะในเราเปลี่ยนรูปแบบเราเปลี่ยนไปใช้รูปแบบที่ว่าคุยกันสั้นๆจบในสี่ตอนซึ่งปกติก็จะใช้เวลานานกว่า น, นั้นนะครับก็อย่าลืมพี่น้องครับขอคอมเมนต์กันมาทีนิดหนึงขอให้คําแนะนํามานิดหนึ่งว่าอยากได้รูปแบบการเรียนอธิบายกุรานแบบไหนแบบละเอียดยิบเลยไหมแบบอายะละตอนไปเลยหรือว่าอยากแบบว่ารวบลัดแบบสรุปอาจจะเป็น สุดอยอดยาวๆก็่าจะสาตอน4ี่ตอนขอคำมิกันมาขอข้อเสนอแนะกันมานะครับผมเพราะอยากได้รูปแบบที่เหมาะกับพี่น้องทุกท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หวังราไมตาจากอาร้อนนี้ประการแรกอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ต้องดูว่าผู้ฟังไหวแค่ไหนก็จะได้เอาเท่าที่ไหวกันโอเคผมก็เอาแบบสไตล์รวมๆไปก่อนนะครับในครั้งนี้ถ้าใครอยากได้ละเอียดบอกกันอีกทีหนึ่ง ซา บ, บิฮิสมรับบิกลอัลอาละัในสุรายนี้ครับเป็นหนึ่งในสุราที่พวกอัลลอซุบฮานะฮวตาลทรงเริ่มด้วยกับคำว่าจงสรรเสริญจงสรรเสริญซั บ, บิฮสรรเสริญซดูดีหรือให้ความบริสุทธิ์แก่พวกอัลลอซุบฮานะฮวาตาลาดัสเบียครับอาจจะแปลว่าเป็นการสาดูดีการแท่ซองได้เช่นเดียวกัน พอเราบอกไงครับจงแท่สองสรุปีต่อนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ที่อยู่สูงสุดพรอเราบอกให้เราจงสรุปีต่อพระองค์ถ้ า, ากเป็นมนุษย์เนี่ยครับถ้าใครมาบอกว่าจงสรุปีต่อฉันสิเราจะรู้สึกว่าไงครับเอ๊ะทำไมมาอยากให้คนยกย่องตัวเองเหรอหรือว่าอะไรแต่ในกรณีของพระเจ้าไม่ใช่ครับในกรณีของพระเจ้าไม่ใช่ กับมนุษย์เนี่ยเขาไม่คู่ควรได้รับมันแต่เขาอยากได้รับมันแต่กับพวกลอสซูบาฮานุวัตล า, านั้นพวกคู่ควรที่สุดแล้วคือพวกเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องได้รับการสรีสารเสริญแต่กับกายเป็นว่ามีน้อยเหลือเกินที่สรุดีต่อพวกลอสซูบาฮานุวตาาัตลาถูกไหมครับถ้าเกิดเราดูในบรรดามนุษย์ในบรรดาจินเราไม่พูดถึงสัตว์อย่างอื่นเพราะทุกสรรพสิ่งที่พวกลอสร้างล้วนจะสรุดีต่อลอทั้งสิ้น ที่พระลัก์กล่าวในกุฎามาทุกสปปรรพสิ่งเนี่ย น, นอกจากจะต้องสรุปีแท้สองต่อหะือเพียงแต่พวกเจ้าไม่เข้าใจการสรุดีของสิ่งเหล่านั้นอะไรคือการสรุดีอะไรคือการสรุดีรรดที่ว่าทัสบียหรือว่าซับบิฮิสหรือว่าสุ บ, บฮ า, านะ่าความหมายเหมือนกันอะไรคือการสรุดีครับเมื่อพูดถึงคําว่าการสรุดีแล้วเราคิดถึงอะไร การให้เกียรติความรักการยอมจำ น, นวนการยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ความผูกพันคำว่าการสรลดีเนี่ยรวมในหลายในยะด้วยกันคำถามต่อมาครับเวลาที่เรากาะซุบหานอัลลอฮเราเคยรู้สึกเช่นนั้นกับโอลอซูบบานอัลต้ า, า, ตาลาหมเราเคยรู้สรรพสิง่งและเราเคยพูดว่าซุบบานอัลลอ หรสุบฮานและมาคารักตาฮาลาบาติลาเราเคยพูดในธรรมนองนี้ไม่ที่ว่าพอดูปุ๊บมีเรื่องยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพวกลัทธิสุบฮานวาตาแล้วเราก็พูดถึงความสรุดีต่อพวกเน้อในเรื่องของการสรุดีเนี่ยคืออะไรครับการสรุดีคําว่าสุบฮานเนี่ยในภาษาไทายเราไม่คุยกันว่าแปลว่าอะไรแต่ในภาษาหลับสุบฮานหมายถึงการปฏิเสธสิ่งสกบกปฏิเสธข้อบกพร่องออกไปจากคนคนนั้น เพราะฉะ้นเมื่อกล่าวซุบฮานละลอซึ่งมีเพียงพระลอซุบฮานตราองค์เดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะซุบฮานได้ที่เราสามารถจะซาดีอย่างร้อเได้เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ไม่มีข้อตําหนิถูกไหมครับมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่ไม่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายที่ไม่พูดสิ่งที่ชั่วร้ายที่ไม่มีความคิดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีไม่งานแล้วเราจําเป็น จะต้องสวีสดีต่อพัวล้อเพราะในการสวีสดีต่อผัวล้อนั้นมีความบริสุทธิ์มีความดีงามที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่พี่น้องพูดคำว่าสุบฮานัมล้อหรือในความหมายทํานองนี้เวลาเราพูดสุบฮานัมลมันจึงหมายความว่าฉันเนี่ยขอประกาศเลยนะฉันขอยืนยันนะฉันเชื่อมั่นเลยนะว่าผัลอสุบฮานตรานั้นปราศจาก ข้อบกพร่องปราศจากความผิดพลาดปราศจากตําหนิไม่มีข้อตำหนิใดๆกับพระอผมนี่คือความหม้ของซุาาง่มานามะนี่คือการสรุดีอย่างแท้จริงซึ่งนี่แหละครับการสรุดีนี้เนื่องจากในพระนามของพ่อเราด้วยที่ว่าอัสซาลัมผู้ทรงปลอดภัยไม่มีคุณลักษณะที่ไม่ดีงามแล้วก็อัลกุตดูสผู้ทรงบริสุทธิ์ซึ่งในคอสของ ขาศึกาพระนามของโพลัสบาลอัลตาถ้าพี่น้องท่านใดที่ได้ยังได้ติดตามชมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าเราก็พูดคุยความหมายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมในที่เราขอมาดูในส่วนเฉพาะคำว่าซับวิสขรารบิเกลอ ล, ออลอลาลาในที่นในญั า, านนะครับพี่น้องถาสังเกตดูโพลัสบอกไงนะครับจงซา ด, ดูดีเป็นคาสั่งว่าจงซา ด, ดูดีต่อนามของนายของเจ้านามของเจ้านายของเจ้าผู้ที่อยู่ สูงสุดแปลว่าเวลาที่เราเสรดีพวกล้อสุภานหัวตาลานั้นเราทําได้2วิธีด้ยวยกันการเสรดีต่อพวกล้อนะครับทําได้2วิธีด้ยวยกันรูปแบบแรกวิธีแรกก็คือเสรดีต่อล้อด้วยการกล่าวถึงพระนามอนุดงามของพระองค์พระนามไหนก็ได้อาจารย์มาเป็นสุรัตุลัส์ช่วงชา้าช่วงท้ายหรือก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับ แสดงถึงพระนามหรือคุณลักษณะของพระ อ, องค์อันไหนก็ได้ได้หมดเลยขออัลลอฮุลอลาอิลลมลิุลกุดดุสลาุลมุมินุมฮมิลุุมุตกบิซุบฮาัลลอฮีอัมมาจิิกอันนี้ก็เป็นการซาดีต่อพระลอรูปแบบหนึ่งก็คือพระนามไหนก็ได้เราคิดถึงพระองค์เราประกราศออกมาเป็นคพูดด้วยกับพระนามของพระองค์อันนี้เป็นรูปแบบแรกของการซาลีต่อเลารูปแบบที่สองก็คือการที่เรามานั่งใคร วนถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ล้อสร้างเหมือนกับในเอกุราหใช่ไหมที่เขาบอกว่าอินทรฟีคาลกิตสมาวาติวลอัในเรื่องการสร้างฟากฟ้าและแผ่นดินล้วนเป็นสัญญาณให้แก่ผู้มีสติปัญญาผู้ที่เขาดำลึกถึงล้อ Allah, ทั้งตอนยืนตอนนั่งตอนนอนแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้นายของเราผู้ไม่ได้สร้างอะไรมาอย่างไร้ประโยชน์ไร้สาระเลยขอสะุดีต่อพระองค์ แปลว่าประเด็นที่น่าสนใจครับคุยกันตรงๆพี่น้องชวนพี่น้องคุยแบบตรงๆเวลาสอดีต่อพ่อร้อนเนี่ยหลายท่านรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่เราจะรู้สึกสดุดีคือกาสรสะดุดีเนี่ยมันเหมือนกับความรักกับพี่น้องเหมือนตรงไหนครับเหมือนตรงที่ว่ามันบังคับกันไม่ได้มันต้องออกมาจากใจยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมุสลิมเราเวลาจะสอดีต่อร้อนเนี่ยมันต้องออกมาจากใจมันต้องไม่ใช่เป็นบทสวด มันต้องไม่ใช่เปลี้ยวละฉันละมาเสร็จแล้วอันนบีบอกให้อ่านซุบฮานอัลลอฮ์ดลลลลอฮ์บัสกับลายลอนลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะยกโทษในบาปทั้งหมดฉันก็เลยอ่านก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบซุบซุบซุบซุบอันนี้เขาเรียกว่ามันกลายเป็นบทสวดไปแล้วมันไม่ใช่การสรุดีต่ออัลลอฮ์การสรุดีใจมันต้องมาเหมือนกับความรักที่ใจต้องมาพอจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เราต้องรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์รู้สึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ รู้สึกถึงความสมบูรณ์ของโพล้อที่ไม่มีความบกพ้องรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของโพล้อที่มีแต่ความสะอาดนี่คือเวลาที่เรก่าซุบฮานะฮัวที่หมายถึงการสะดุดีต่อโพล้อซุบฮานะฮัวตาล่าปเรื่องอิสลามนี้พิ่น้สังเกตพว้อบอกยังไครับจงสะดุดีด้วยกับพระนามของนายของเจ้าโพล้อบอกให้เราสรดุดีด้วยกับรูปแบบที่หนึ่งก็คือเอานามของโพล้อมาใช้ในการสะดุดี เพราะพระนามของพระลอทั้งหมดสมบูรณ์แล้วสะอาดหมดเลยบริสุทธิ์หมดครับพระนามของพระลอบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะคิดถึงพระองค์ด้วยกับพระนามไหนก็ตามนั่นคือการสะดูดีต่อพระลอไปในตัวแล้วเพราะนั้นยิ่งพี่น้องมีเหตุผลเพิ่มขึ้นแล้วนะถ้าใครที่ยังจําพระนามของพระลอะได้ไม่มากพอเนี่ยเรามีเหตุผลเพิ่มอีกข้อนแล้วว่าทําไมเราถึงต้องได้พระนามของพระลอให้มากขึ้นเหตุผลที่เพิ่มมาก็คือ เพื่อที่เราจะได้สะดุดีต่อผู้ล้อได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งเราได้พระนามของพู้ล้อมากยิ่งขึ้นเรารู้ถึงความนิยมแห่งองค์ในด้านนั้นเรายิ่งมีใจที่จะสะดุดีต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นซับบีฮิสมาลบบีกะอัลอาลาซึ่งในที่นี้ครับพู้ล้อได้ใช้พระนามของพระองค์ก็คืออัลอาลามาลงท้ายอายะนี้อัลอาลาคือใครครับอัลอาลาคือผู้ที่อยู่สูงที่สุด ไม่มีใครอยู่สูงเหนือกว่าพวกลัทธิสุบาร์ตะลาไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พงษ์ประธานมาให้กับเรานั้นก็คือสิ่งที่สะอาดแล้วก็สูงสง่งเหมือนกับศาสนาอิสลามครับศา ส, สนาอิสลามถูกกล่าวว่าไงครับยะลิวาลายุอลาอะไรที่อิสลามนั้นสูงสง่งแล้วจะไม่ถูกสิ่งยกสิ่งหรือสิใดให้มาสูงส่งกว่าอิสลาม ฉันเดียวกันครับในอายะคุ ร, รันว่าจะเอาคำว่าที่ได้กัลุสฟละว่าคำว่าทลลอฮิฮียลอุลยาเพื่อเป็นการทําให้คําพูดของผูเ้เผยศาสนานี่ยมันต่ําต้อยลงไปในขณะที่คําพูดของผู้ร้อนนั้นสูงส่งผู้ร้อไม่ได้บอกว่าทําให้คําพูดของเร้อนสูงส่งเพราะคําพูดของเร้อนสูงส่งอยู่แล้วเพราะฉะนนั้คําว่าสูงส่งนะครับเป็นการสรุปดีที่ยิ่งใหญ่อีกแบบหนึ่ง ถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะสรีต่อเราได้ยังไงอัลอาอิล่าผู้รัอผู้ที่สูงส่งซึ่งซับยิาบิยัอัลลาห์คเนี่ยเมื่อผู้รัปัดแทนสู่ร้อนนี้มาท่านอับดุลเบบีมูฮัมหมัดสุลตัมบอกว่าไงครับเอาวักนี้นะไปอยู่ตอนที่พวกคุณสูอยู่ตอนที่คุณอยู่ต่ําที่สุดเนี่ยอยู่ในสภาพยอมจำนนที่สุดเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้ตอบย้ำกับตัวเองว่าเราขอยอมจำนนต่อผู้ที่อยู่สูงส่งต่ ผู้ที่อยู่สูงที่สุดทั้งตําแหน่งทั้งความสามารถทั้งตัวของผู้รัุบานูอาตาล่ในทุกๆมิติที่เราเข้าใจที่เราไม่เข้าใจอัลอาลาครอบคุมความหมายทุกมิติเลยที่เป็นความหมายที่งดงามแล้วก็สมบูรณ์ที่เหมาะสมกับความเป็นพระเจ้าของผู้รัสบานาหุวาตาล่สรุปด้วยกันครับ s u b h i s m e r o p ัอลอาลาครับผม barclavium ครับผม เอ่อคุณคณเดรินบอกว่าอยากให้อาจารย์ทำรายการอธิบาย99พนามบ้างเอ่อผมเคยสอนแล้วนะครับผมแต่ว่าจบที่พนามที่ประมาณ20กว่านะครับผมถ้าสนใจนะครับดูใน Facebook ได้นะครับเข้าไปอ่ะอยู่ใน youtube ก็ได้ youtube ก็ใช้ชื่อผมเลยนครับยัสวารีมี99พนามอยู่นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วถ้าผมปิดคอร์สไหนได้ซักคอร์สถ้าเราปิดคอร์สตับซีดหรือว่าอะไรนะครับก็อาจจะได้ไปรื้อฟื้นคอร์สเก่าที่ยังไม่จบอินชาวาครับขอบคุณมากครับสำหรับ คาแนะนาบารักะ้อลอพิทุมครับคุณฮาจัดะครับสละมาวันคุณสละมาบารักข้อลอมาบารักาตูมาชาอัลลอฮ์ครับดูอารอบนี้นี่ยาวมากเลยนะครับผมผมผมอ่านแล้วผมเขินนะครับงั้นผมขอตอบว่าอัลลอฮ์กุ่มครับแล้วก็สิ่งที่คุณฮาจัดขอดุอิมานี้ขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งคุณฮาจัดแล้วก็ครอบครัวคุณที่เรารักได้รับดูานี้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์กุ่มอาเมนครับผมขอบคุณสําหรับทุกดูาครับ ขอบคุณสำหรับทุกๆดูอาสำหรับมุสลิมเรานะครับเราไม่ได้รับสิ่งใดที่แน่ายินดียิ่งไปกว่าดูอาจากพี่น้องของเราที่รักแล้วก็ปรารถนาดีแล้วก็ดูอาให้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันจะอยู่ตลอดไปนะครับผมโอเคเรากลับมาเรื่องของทรัพย์สนกันนั้นวันนี้นะครับเราไปแบบเร็วนิดนึง่งไปแบบเร็วนิดนึงนะครับ ซับบิสมาอบิการไอลาในเรื่องความประเสริฐของเรื่องการสุดีเนีพี่น้องศึกษาเพิ่มเติมได้เยอะแยะมากโตบทมากมายมหาศาลพระนามของพวกล้อมีเรื่องให้ศึกษาอีกมากมายมหาศาลอัลอาลาก็มีเรื่องให้ศึกษาอีกมากมายมหาศาลก็ถือว่าต่อยอดกันเรามาอายะที่สองเลยนะครับผมหลังจากที่พวกล้อมาตรากาับซับบิสมรอบพิกัรไอาลาพวกเราจะกล่าวตอว่าอัลอฮฺดี خلق فسوى หากมนุษย์ต้องการเหตุผลที่จะสุดีอัลลอฮ์พออัลลอฮ์บอกเหตุผลให้แล้วในสุร้อนนี้ครบถ้วนแล้วเพราะหลายครั้งเวลาที่มีคําถามมาครับบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เรารักพระองค์อัลลอฮ์สั่งให้เรารักนบีเราจะรักได้ยังไงนี่เมื่อเราไม่เคยเห็นก็ง่ายได้ที่สุดก็รู้จักสิถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์เราจะรู้แน่นอนว่าทําไมเราถึงจะรักพระองค์โดยอัตโนมัติ ถ้าเรารู้จักท่านนบีมูฮัมมัดสโลลองของเดซลัมเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าทําไมเราถึงต้องรักคือยิ่งมุสลิมรูมม้จักท่านนบีมากแค่ไหนก็ตา ม, มาครับเราจะยิ่งเกิดคําถามในว่าเป็นไปได้ไงที่จะไม่รักนบีเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามุสลิมรูมม้จักเราซูนจริงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ตกลุมรักท่านนบีครับผมเช่นเดียวกับยิ่งยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่คำว่าเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นครับกับโพ้รัสซุบะฮานะฮูตะลา ถ้าเรารู้จักผู้ลอจริงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รักพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่กลัวพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่หวังต่อพระองค์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ซาดูดีต่อพระองค์เพราะอะไรครับพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างขครแล้วก็คือสร้างเฟิร์วาแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ในการสร้างสารรค์ของผู้ลอครับ ปัวละ เ, เก่าครับเจ้าจะไม่พบการขัดแย้งในการสร้างสรรค์ของพปัวละจะไม่มีอะไรที่มันขัดถขัดตาคือดูแล้วมันจะแมทมันจะงดงามพี่น้องเวลาเราดูสินค้าเราดูผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมครับว่าอันนี้งานหยาบอันนี้งานละเอียดอันนี้งานประกอบดีนะอันนี้งานประกอบไม่ดีแล้วเห็นเราก็รู้ยิ่งงานประกอบดีเนืยบเท่าไหร่ก็ตามยิ่งแสดงว่าคุณภาพดีคนที่ทำเนี่ยตั้งทุ่มเทจริ ง, รงๆเสร็จจากที่เราดูจากสิ่งที่มนุษย์สร้าง เราไปดูสิ่งที่พวกเราสร้างมันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเลยแค่ร่างกายของเราร่างกายที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย์มนุษย์พยายามวิ่งไล่ตามการสร้างของพระเจ้ามนุษย์พยายามที่จะสร้างอะไรก็ตามที่มันซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึง่งเขาก็พยายามทำแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์พอจะทาอะไรได้สักอย่างหนึ่งเขาจะเชื่อในพระเจ้าไหมครับ ส่วนใหญ่ไม่ครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านี่ไงฉันทําในสิ่งที่พระเจ้าทําได้แล้วเขาก็จะยิ่งหลงผิดซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เชตตอนมาทํามาเสมอแต่โพล้อบอกไงครับโพล้อคือผู้ที่ทรงสร้างนะแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ทําให้เกิดผู้ชายทําให้เกิดผู้หญิงทําให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเติบโตเติบใหญ่มาแล้วก็ถึงเวลาเมื่อพวกมต้องการก็ให้เขาแก่ชราหรือให้เขาเสียชีวิตไปก่อนในสัญาสร้างสรงสรค์ของโพล้อมีทั้งสิ่งมีชีวิต บางอย่างก็เดินด้วยกับท้องของมันหรือคานเป็นงูบางอย่างก็เดินด้วยกับเท้าคานบางอย่างก็เดินสองเท้าเช่นมนุษย์บางอย่างก็บินเช่นสิ่งมีปีกต่างๆในการสร้างสรรค์ของพระลอพระลอสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์และทั้งหมดงดงามไม่ละพี่น้องเอาเข่ ม, มแมลงในโลกนะมีกี่แสนกี่ล้านประเภทเรายังไม่รู้หรือมีเท่าไหร่เรารู้จักแค่น้อยมาก ไหนจะเป็นสัตว์สิงสาราสัตว์ไหนจะเป็นสัตว์น้ําในทะเลในแม่น้ําในลําคลองอัลละอียดข้ลคอ ฟ, ฟ, ฟะวานี่มาจากการสร้างของผวัดรถแล้วผู้รถทำให้มันเป็นรูปร่างเล็กมากๆระดับอะตอมเล็กกว่าอะตอมฤทธิจะใหญ่มากๆเป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าทั้งหมดผู้อัอรถสร้างแล้วทั้งหมดผู้วัอรถเป็นผู้ดูแลแล้วทั้งหมดไม่มีอะไรอยู่ได้เลยถ้าผู้วัอรถไม่ดูแล ถ้ารู้ขนาดนี้มีเหตุผลอะไรไหมที่เราจะไม่สดีต่อลอถูกไหมครับซุบฮานอัลลอฮ์เจอสิ่งเหล่านี้เรา ย, ยิ่งรู้สึกเลยครับว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไม่จบแค่นี้ครับ والذي قد ว ล, ลกลลนอกเหนือจากจะเป็นผู้ที่สร้างอย่างงดงามแล้วผวล็อกําหนดความเป็นไปของมันด้วยพี่น้องพี่น้องอย่างดูอย่างเราสร้างอะไรสักอย่างอะสร้างแก้วก็ได้อะ มีใครกําหนดทิศทางชีวิตมันได้ไหมว่าแก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะแตกมันจะหักมันจะบินต่อให้เป็นคนที่สร้างมันก็กําหนดทิศทางของมันไม่ได้กำหนดชีวิตของมันไม่ได้ไม่มีใครทําได้ต่อให้แม่ที่คลอดลูกมาแม่ก็ไม่สามารถกําหนดทิศทางชีวิตของลูกได้ว่าใช้ลูกเป็นยังไงแม่อาจจะพยายามหล่อนหลอมพยายามตีกรอบแต่ลูกจะเดิ น, เนตามหรือไม่แม่ไม่รู้อาจจะตามหรืออาจจะไม่ตามแต่ผู้รอดสุบฮามตลลาคือ วัลลดีกัดดารฟะฮดาผู้ที่ทรงกำหนดแล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วไม่ใช่แค่กำหนดให้มันเปนไปตามนั้นให้สัญชตาตญาณกับมันด้วยนำทางมันด้วยพองสร้างมนุษย์มาไม่ใช่สร้างแล้วก็จบพองค์ให้เด็กคลอดมาจากท้องของแม่ทอดแล้วไม่ใช่ว่าจบทอดปุ๊บคลอดปุ๊บพร่องค์เ่งต่อครับนำทางให้เด็กนั้นไปดูดนมจากเต้าแม่นาทาง ให้เต้าของแม่มีนมให้ลูกดูดนำทางให้ร่างกายค่อยๆสร้างค่อยๆเติมเต็มนับตั้งแต่เป็นจุดให้มันมีเลือดมีเนื้อมีหนังมีกล้ามเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีประสาทมีการรับรู้มีการมองเห็นมีการได้ยินมีการชิมริ้มรดทั้งหมด สัญชาตญามีกับทุกอย่างพี่น้องดูสิ่งสารสัตว์ดินกบางอย่างแม่เลี้ยงฟูมฟักมาเสร็จปุ๊บพอแม่ปล่อยมันไปมันก็ดําเนินชีวิตอยู่ได้ดูแค่นกก็สุบฮานอัลลอฮ์แล้วตั้งสรีต่อลอสในการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ของพระองค์พี่น้องมีโอกาสเคยเลี้ยงลูกนกไหมไม่รู้บ้านใครเคยมีโอกาสที่ลูกนกตกจากลังแล้วเอาไปให้แม่มันไม่ได้ไหมคนที่เคยมีโอกาสเลี้ยงลูกนกเราจะรู้เลยครับว่าโอกาสที่จะเลี้ยงให้ลูกนกรอดเนี่ยยากมาก คือถ้าเลี้ยงก็คือไม่ไม่รอดก็ตายมีแค่สองอย่างเลยคือนอกจากคนที่เก่งจริงๆมีประสบการณ์ฟูลฟักเนี่ยโอกาสรอดอาจจะสูงหน่อยแต่คนไม่มีประสบการณ์เนี่ยรอตายเลยขนาดเราเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศขนาดนี้เราจะไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกนกแต่แม่นกมันมีปัญญาเลี้ยงลูกนกอ่ะแล้วนกก็ไม่สูญพันธุ์ด้วยพี่น้องคิดดู ใครแหละทำให้นกจะมีการออกไข่กลรใครทําให้นกนะ่ะมันต้องมีการฟักไข่ทาไมมันต้องฟักไข่พี่น้องคิดดูมีเหตุผลอะไรให้แม่นกต้องฟักไข่ปวดอยากท้องอยากคลอดก็ปล่อยไข่แล้วก็ทิ้งหนีไปเลยสิแบบนกบางประเภทที่ไข่ไปให้ตัวอื่นฟักอย่างเงี้ยใครเป็นผู้ดูแลทั้งหมดอัลลอฮ์ถ้าเรารู้ศึกษาขณาดนีจะไป่กล่าวสุบฮานอะัลลอฮ์เล พี่นองมัน make sense ไหมล่ะถ้าเกิดว่าคนที่มีความรู้ขนาดนี้แล้วยังไม่สรีต่ออรอเพราะนั้นทุกคําสั่งใช้ที่พุทธล้อให้เราทําเพื่อพระ อ, องค์ให้เราทํากับพระ อ, องค์เนี่ยมันมีเหตุมีผลหมดเลยทําไมต้องขอบคุณลระอะค์เหตุผลมีเป็นล้านเราไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ขอบคุณพระ อ, องค์ทําไมต้องสวีต่อหรอเหตุผลมีเป็นล้านล้าเหตุผลแต่เราไม่มีแม้แต่หดเหตุผลเดียวเลยที่จะไม่สวีต่ออ แต่ก็มีคนเป็นจํานวนน้อยมากที่ซาดูดีต่อพวกลอสจริงแล้วที่ซาดูดีต่อพวกลอสเนี่ยก็น้อยของน้อยอีกที่รู้ความหมายแล้วมีใจแล้วรักพวกลอสเพิ่มเข้ามาอีกสุบฮานัลลอฮฺเพาะนั้นแค่คำว่าสุบฮานัลลอฮฺ อ, อีมั่นเพิ่มเลยนะแค่พวกเราพูดคําว่าสุบฮานัลลอฮฺแค่ครั้งเดียวอีมั่นก็เพิ่มขึ้นได้แล้วพี่น้อง ถ้าหากการพูดนั้นออกมาจากใจที่ผ่านการไข้หวนั้นพระโพลล์คือใครครับวัลลีกัตดาร์ฟฮาดาผู้ที่กำหนดความเป็นไปแล้วก็ให้ทางนำซึ่งทางนำของพระโพลล์เนี่ยก็มีอย่างน้อย3ามรูปแบบทางนำทั่วไปรูปแบบของสัญชาตยานทางนำที่ให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทางนำที่ว่าให้สามารถทำสิ่งที่ควรจะทำได้กับทางนำที่สามารถทำให้รอดพ้นจากสฟานซิรอนทางนำของพระโพลล์ทั้งหมดอยู่ที่พระอพลล์หมดเลย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ล خ ก ق ฟสั่วัดดระฟาดาทั้งหมดสอ ด, อวดความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้สร้างแค่เรานะไม่ได้นำทางแค่สิ่งมีชีวิตนะวัลละดีอัคราเลมารอะพระองค์คือผู้ที่ให้พืชสวนไรนาเนี่ยและทุ่งหญ้าออกมาจากดินอัคราเจลมารอะมารอก็คือพืชสวนไรนาต่าง รวมถึงทุ่งหญ้ารวมถึงอะไรก็ตามพอเราให้มันออกมาจากดินพี่น้องเรามานั่งคิดกันมานั่งสงบใจคิดกันสักนิดหนึ่งมันมีเหตุผลอะไรที่ดินต้องมีหญ้างอกออกมาเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่ามันมีเหตุผลอะไรที่มันต้องมีต้นไม้งอกมาจากดินนี่ใครให้คําตอบได้บ้างถ้าเขาไม่ศรัทธาต่อเรามันฟูกขึ้นมามันอยากขึ้นมันก็ขึ้นคือขึ้นมาทําไมขึ้นมาแล้วเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นมันจะขึ้นมาทําไม บางคนบอกอาจจะบอกก็สิ่งมีชีวิตอื่นกินจะได้ไปแพร่เผยแพร่พันุ์มันให้มันต่อบางอย่างกินไม่เหลือเลยนะกินหมดเกลี้ยงเลยนะมันฉลาดขนาดรู้เลยหรือว่ามันต้องมีอาหารรสชาติยังไงให้ตัวไหนมากินมันทดลองมันวิจัยมันทําอะไรยังไงเป็นไปได้เหรอกี่ล้านล้านปีก็เป็นไปไม่ได้พี่นะ้องความไม่มียังไงมันก็ไม่มีถ้าจะมีคือมันต้องถูกสร้างเพราะฉะนั้นผื้นแผดดินที่พอลล์ให้มีอะไรงอกออกมานะกเนี่ยพอลล์บอกไงครับ นี่ไม่ใช่เหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่เจ้านั้นต้องซาลุดีต่ออัลลอฮฺวันละีอัคราจัลมาร์อาไม่มีเพื่อสวนไร่นาไม่มีทุ่งหญ้าออกมาพี่น้องจินตนาการดูชีวิตที่มีแต่ภูเขาทั้งหมดยังไม่ต้องพูดถึงอาหารการกินซึ่งจบแล้วชีวิตจบแล้วถ้าแผ่นพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่มีอะไรงอกมาไหนะจบแล้วซึ่งทุ่งมัชชัดจะเป็นแบบนั้นแหะครับพี่น้องทุ่งมัชัดคือลาบเรียงเตียนลงไม่มีอะไรเลย ไม่มีที่รุ่มไม่มีที่ดอนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเยลยเราจะเจอแผ่นดินตามที่มันควรจะเป็นอย่างแท้จริงทุกคนแน่นอนในโลกแน่ซึ่งพอไปถึงตอนนั้นนะครับทรมานถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมตั้งแต่โลกนี้นะครับรอไปถึงโลกหน้าเนี่ยได้แต่เสียใจแหละได้แต่ร้องไห้แหละก็เลยจะขอดูอาจากผู้รอดสุภาตรตะว่าอย่าให้เราเป็นหนึ่งในคนรูปแบบนั้นที่ว่า ต้องไปนั่งเสียใจต้องไปนั่งเศร้าต้องไปนั่งรู้สึกแย่ทีหลังในวันที่มันมันไม่ยังประโยชน์อะไรแล้วนะครับผมครับคุณสวัสดิ์ سلام า, าครับวอริยกุณสลาหมุตุโลหะบาราคาตุ้งครับผมเราดูต่อครับพี่น้องอายะต่อมาครับพระกล่าวว่าฟาชัยละหูบุเซอัลอาหัว สุ บ, บานั่งล้อพี่น้องถ้าเรากําลังวาดภาพตามที่พวกอัลลอฮ์พูดให้เราคิดถ้าพี่น้องกําลังวาดภาพนะสวสดีแด่นามของนายของเจ้าผู้ทรงสูงส่งอัลลอฮ์สั่งใช่ไม้มจงสวดีใช่ไหมพงเป็นผู้สร้างให้มันเป็นรูปร่างให้มันสมบูรณ์พงเป็นผู้กําหนดแล้วก็นําทางไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยว้างพองค์เป็นผู้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ออกมาจากผืนแผ่นดินฟังแล้วสุ บ, บานาั่งล้อ ถ้าจะมาสะดุดมาสะดุดอายะนี้แหละครับอายะที่5ฟาจะอาลฮูกุษอันอหัวแล้วพวกก็ได้ทำให้มันนั้นเหี่ยวแห้งร่วงโรยทำไมมันเป็นการเตือนสติมันเป็นการเตือนส ต, นน ต, นสติและยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นปอีกที่เราจะสรีสต่อัอเหรแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์สามารถทำลายมาได้ตลอดเวลา แปลว่า ต, ตัวเราเนี่ยพง ก, ก็ทําลายแล้วได้ตลอดเวลาแล้วยิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่ทําลายเมื่อทําลายไปแล้วพวกสามารถเปลีนทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมได้อีกหรือดียิ่งกว่านั้นอีกเพราะนั้นยิ่งต้องใส่ใจต่อลรอไหมล่ะครับถึงแผ่นดินที่แห้งเหี่ยวพี่น้องเคยสังเกตไหมถ้ากเกิดพรงได้ความชุ่มชํากับมันต้นหญ้าก็สามารถกลับมาเขียวชอุ่มได้ แม้แต่ต้นไม้บางต้นเราตัดเหลือแต่ตอแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะรอดพอเลาให้รอดมันก็รอดอาจจะเป็นต้นใหญ่อย่างต้นมะม่วงอาจจะเป็นต้นข น, นุนหรือบางทีเป็นต้นไม้ที่ดูเบาบางอย่างต้นกล้วยบางทีคิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วพอเลาะมันกลับ ม, มีชีวิตได้แล้วยิ่งเราคิดอย่างนี้ได้นะครับแล้วโลกหน้าล่ะเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเรากลายเป็นผุยผง มันไม่ใช่ความยากลำบากที่พระอจะให้เรากลับมาเพื่อรับสิ่งที่เราจะต้องได้รับต่อไปเมื่อชายละหูกุเซอัพระได้ทําให้มันเหี่ยวแห้งร่วงโรยมันเป็นการเตือนสติเราด้วยว่าถึงเวลาเราต้องตายนะเพราะถ้ามีแต่ความเขียวชะอุ่มเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเนี่ยลืมเราน่ยลืมง่า ย, ยแล้วพวกเราเนี่ยทุกคนหลงลืมง่ายอยู่แล้วยิ่งอยู่กับ d ุ n ยายิ่งดื่มอ l c o h แต่เวลาที่เราอยู่กับความเขียวชะอุ่มแล้วเราเห็นมันเขี่ยวแห้งตายไปต่อหน้าต่อตายอย่างนี้ถ้าเป็นมุสลิมเราจะยิ่งได้คิดใช่มันเคยผ่านจุดสูงสุดของมันมาแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วเหมือนกับเราตอนนี้บางคนอาจจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มแรกบางคนเป็นเด็กบางคนอาจจะอยู่ในช่วงโตขึ้นมาหน่อยรเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงกำยำแล้วเป็นคนที่แบบสมบูรณ์แล้วอายุสามสิบกว่าสี่สิบแล้วบางคนก็อาจจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง พราะว่าเตือนเราตลอดเวลาในทุกรูปแบบที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ที่อยู่ในตัวของเราจะไม่สวสดีต่ออัลลอฮ์นะครับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานอัลลอฮ์อายะต่อมาพวกเรากล่าวเขาว่าซานุกริกุกะฟลาตันซาเราจะให้เจ้าได้อ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืม ผู้ร้บอกท่านอับดุลโมสลอสลัมแล้วก็บอกพวกเราทุกคนมันเป็นการให้กำลังใจครับเราคนที่อ่านได้เนี่ยถ้าอ่านพวกเราบอกเราใจเจ้าได้อ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมเพราะขนาดผู้ที่อ่านไม่ได้ผู้ร้อยยังให้จำได้เลยเราไม่มีข้ออ้างอะไรในการไม่ต่องจำคุรา น, นะครับพี่น้องเราไม่มีข้ออ้างใดๆเลยในการที่จะไม่ต้องจำคุรานเพราะขนาดบุคคลที่ผู้ร้ล็อกความสามารถ ท่านนาบีนี่ถูกพว่อเลือกพันหนึ่ความสามารถไว้หน่อยคือพว่อเลือกไม่ให้ท่านนบีมั ส, สาซัมอ่านออกเขียนได้ไม่ให้ท่านนบีเรียนไม่ให้ท่านนบีอ่านออกเขียนได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าท่านนบีอ่านออกเขียนได้สิ่งแรกที่บรรพุพิเศษสถานจะต้องบอกก็คือกุหลานาบีแต่เองแต่อันนี้คือคนทุกคน ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตัมทั้งคนที่รักท่านทั้งคนที่เกลียดท่านทุกคนเห็นพร้องต้องการว่าท่านอ่านไม่ออกแล้วเขียนไม่เป็นเพราะฉะนั้นกุรอานไม่ได้มาจากท่านนบีแน่นอนแต่ประเด็นที่ผมอยากชวนพี่น้องคิดท่านนบีมูฮัมมัดสลตัมที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นท่านจาอัล ก, กุรอานได้ทั้งเล่มเรามีข้ออ้างอะไรกันอีก อลัลลอฮ์พัความสามารถของเราเรืไม่พัฒน์ผู้ใหญ่บางขั้นเพิ่งมาเรียนอ่านตอนอายุหกสิบเจ็ดสิบอ่านได้ครับอลัลลอฮ์ให้พล้ยความสามารถถ้าคนที่พยายามทุบใจกับกุหลานผู้ร้อยให้หมดครับผมอยากอ่านจริงขอให้มีใจจริงผู้ร้อยให้ได้อ่านแน่นอนบางคนบอกไม่มีอาจารย์ผู้ร้อยจะเตรียมอาจารย์ให้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากใจของเรากับความปรารถนาของเราว่าอยากได้จริงไหม อยากได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่หลอกตัวเองว่าเราอยากอ่านได้อยากท่องได้พอลราผู้ในกับนบีอาดัมนะครับวารัมนนชิตลาหูอัสม่าแล้วเพราะว่าเขาไม่มีความหนักแน่นพอไม่มีความมุ่งมั่นพอเพราะนั้นความผิดพลาดของเราเนะี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เรานั้นขาดความหนักแน่นที่มากพอเพราะนั้น อ, อัลกุรอานครับพอเราบอกว่าไงครับสนุกหรือุกาฟลาทันซา เราจะให้เจ้าอ่านเราจะให้เจ้าได้อ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมมันท่านอบีก็อ่านจากใจของท่านเลยเพราะท่านอ่านไม่เป็นจากกระดาษท่านก็อ่านจากใจที่อัลลอฮ์ให้ท่านท่องจําแล้วท่านก็อ่านได้ด้วยอิลลามะชาอัลลอฮ์ ah บางคนบอกอาจารย์ฉันทำไมขี้ลืมบางทีฉันได้หนาลืมหลังสุร้อนนี้พึงได้ฉันลืมไปอีกแล้วนี่ไง ah อิลลามะชาอัลลอฮ์พวเราบอกไปแล้วไงครับพเราบอกไงครับเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เจ้าลืม ซึ่งพี่น้องสิ่งที่พวกเลาะให้เราลืมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลประโยชน์เพื่อตัวเราเป็นข้อดีกับไปหาเราลืมความเศร้าลืมความทุกข์ลืมการสูญเสียพี่น้องบาคนอาจจะบอกอ้าวแล้วเวลาลืมครุรอานละ่ะมันดีตรงไหนพี่น้องเวลาที่เราลืมสิ่งที่ดีเนี่ยมันมาจากไชตอน ชัยตอนเนี่ยอยู่เบื้องหลังเลยวามาอันซาเนฮิอิละชัยตอนุอันอาสกุรอมืนในโซโลกาฟีครับถ้าไม่ถึงลืมบอกลืมเตือนนบีมูซาแหะที่ลืมเตือนนบีมูซาเนี่ยเพราะอะไรครับชัยตอนทําให้ลืมเพราะนั้นเวลาที่เราลืมอะไรดีๆเนี่ยหรือลืมอะไรที่สําคัญเนี่ยนักวิชาการหลายคนถ้าพี่น้องสังเกตดูรูดหลายท่านจะอ่านว่าอูดูบิลลาเมชัยตอนเนโรจีมเพราะเรารู้ว่าชัยตอนมาอยู่เบื้องหลัง อาจจะด้วยการทําตัวของเราด้วยอ า, อาหารการกินที่เราทําเราอาจจะหลับดึกเราอาจจะอะไรแล้วเปิดช่องทางทําให้สมองเรามีปัญหาสรุปไม่ใช่ตอนก็เราเนี่ยแหละผู้ที่อยู่เบื้องหลังการหลงลืมของเรานะไม่ตัวเราก็ใช่ตอนมีสองอยา่างในขณะที่การที่พระองค์ให้เกิดการหลงลืมเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของบ่าวของพระองค์ ซึ่งพวกล่าวไงครับอินนาฮูยาและมุนจาราวมายักษฟาพวกลืมทั้งสิ่งที่เปิดเผยกับสิ่งที่อยู่ซันเล็บสิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่อยู่นอกใจพวละ เ, เอรู้หมดเพราะนั้นพวกละอาจให้เราลืมบางเรื่องนั่นเพื่อเป็นความประโยชน์นั่นเพื่อเป็นข้อดีของเราแต่การหลงลืมที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เราลืมเพราะเรามักงา่ายคือพวกล้อไม่ได้จะให้เราลืมเพราะพวกล้อเกียดเรา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําตัวให้ควรจะลืมคือกระดานท่องปุ๊บแล้วก็ลืมไปเลยเนะี่ยผัวเราก็ช่เราลืมครับทุกอย่างกลับไปกับผู้รอดสุบานุตาละแต่มันต้องมีเหตุมีผลคือถ้ามาจากผัวเราโดยตรงการหลงลืมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้ามันมีเหตุมีผลเช่นความมักง่ายหรือชัยตอนหรือมนุษย์ด้วยกันอันนี้เขาอาจจะเป็นเหตุให้เราลืมซึ่งก็ขอด้อางจากผัวเราสุบานุตาละครับให้เรานั้น อย่าได้หลงลืมในสิ่งที่สําคัญสําหรับเราครับผมวันนี้ครับคุยกันหอมปากหอมคอถึงตรงนี้ก่อนนะครับผมอิลามะชาอัลลอฮฺอินน ahu ya lamun jahrawa ma yakfa ครับพี่น้องที่รักก็อย่าลืมนะครับขอคอมเมนต์กัน เ, เข้ามาด้วยนะครับผมว่ารูปแบบของคุรานเนี่ยเราจะพูดคุยกันยังไงต่อไปนะครับอยากได้แบบละเอียดหรือเอาแบบรวบลัดหรือเอาแบบยังไงพี่น้องเสนอมาได้เพราะถือว่าเราเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกัน หวังว่าจะได้ไปอยู่ร่วมกันทั้งตัวของผมเองแล้วก็ทั้งตัวของพี่น้องครับผมก็ Thompson, สำหรับนี้ขอได้จากผู้ลอสุบฮานุวัตาลาครับให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกให้เราได้ทําสิ่งที่ถูกนั้นให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ด้วยเถิดครับโอ้โพล้อโปรดให้เรานั้นได้ศึกษาคําพูดของผู้โพล้อขอให้เรานั้นมีโอกาสได้เรียนรู้อันกุรรันของพระองค์ขอให้ใ่ที เป็นผู้สนิทกลุ่มคนสนิทของผูาา้อาลักษัมบ้านหัวตาลาเดียกับการที่เรานั้น ท, ท, ทุ่มเทให้กับคัมภีร์ทุ่มเทให้กับกุรานของผว้อ า, า, าลักษัมบ้านในของัลตาอาล่ครับผมก็สุภานะล่ะครับคุณคุณดินคอมเมนต์ไปแล้วหนึ่งท่านนะครับว่าแบบละเอียดดีกว่าก็ก็แนะนํากันมาครับถ้าละเอียดก็อินชาลอสจะจัดให้นะครับเท่าที่มีความสามารถตอนนี้ปิดประชุมก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอาจจะได้พูดคุยกันแค่ วิชาเดียวนะครับผมเพื่นมีงานด่วนเข้ามาอินชาอัลลอ์พรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันในช่วงของฟิกกับในช่วงของทับซีรอินชาอัลล์ครับอะกูลุกะลฮะดาวัสตกลุลลอฮะลิเลกุมวะลิซายลิมุสลิมีนามินกุลิดะวัสกลุอินหวกัฟูริิมซุบะรักัลลอฮมัยฮัมดิค่ะอัชฮะดูอัลลาอิลาห์อิลลาอันตซักิกะวตูลัยครับผม่ตเกทักมานะครับแบบละเอียดครับแล้วก็เสวยบอกกัากน่ากันยครับไว้อาลกุมครับส และ بارك ะทุก์